2. การดูสภาวะให้รู้ลงปัจจุบันวงเล็บเปิดยี่สิบเก้ามีนาคมสองพันห้าอห้าสิบอดในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาทียี่สิบปดวงเล็บปิดจิตไม่ตั้งมั่นไม่ใช่ปัญหาปัญหาคืออยากให้จิตตั้งมั่นแล้วไปกดมันเอาไว้จิตไม่ตั้งมั่นนี่มันไม่ตั้งมั่นของมันเองแต่เราอยากให้มันตั้งมั่นเห็นไหมเราอยากให้มันเป็นอย่างอื่นเราก็เลยไปกดมันเอาไว้ ตรงที่เราไปกดมันเอาไว้คือเราเข้าไปแทรกแซงมันให้รู้ว่าเรากดเอาไว้ให้ดีกว่านั้นก็คือรู้ว่ามันไม่ตั้งมัน่นถ้ารู้ว่ามันไม่ตั้งมัน่นก็แค่นั้นพอเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราเหรอกไอ้ตัวที่ไม่ตั้งมั่นน่ะถ้าดูตรงนี้ไม่ทันนะก็จะอยากให้ตั้งมัน่นแล้วก็รู้ทันว่ามันอยากถ้ารู้ไม่ทันอยาก ก็จะไปเพ่งเอาไว้ก็รู้ว่าเพ่งแล้วแต่ว่าเราจะไปรู้ได้ตอนไหนยิ่งรู้ได้เร็วก็ยิ่งดีฟุงซ่านรู้ว่าฟุงซ่านอยากหายฟุงซ่านรู้ว่าอยากหายไปเพ่งเอาไว้รู้ว่าไปเพ่งเอาไว้ยิ่งรู้ได้เร็วก็ยิ่งดีจะได้ไม่เหนื่อย